ศีลเป็นตัวการสําคัญในการเข้าถึงมรรคผลการเข้าถึงอริยมรรคอริยผลมันไม่ใช่เรื่องของสมาธิแต่เป็นเรื่องของศีลท่านนักเทศทั้งหลายท่านเทศว่าศีลมีหน้าที่รักษากายวาจามันไม่ถูกอันนี้พูดเอากันแต่เพียงว่าคันเจตนาศีลแปลว่าปกติ เมื่อจิตตั้งมั่นมีความเป็นปกติไม่หวันไไวต่อบุญและบาปอันนั้นแหละคือศีลในเมื่อมันเข้าไปถึงข้างในจริงๆแล้วศีลนี่แหละเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่มันจะเป็นมรรคปฏิปทาตัดทอนกิเลสและบาปกรรมสมาธิเป็นแต่เพียงฐานการสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งปัญญาก็ให้รู้เหตุรู้ผลแต่เมื่อรู้เหตุรู้ผลและจิตปล่อยวางก็กลายเป็นปกติจิต เพราะฉะนั้นในขั้นที่อริยามรรคอริยผลจะเกิดจริงๆนี่ศีลต้องเข้าถึงจิตถึงใจความจริงศีลเนี่ยทันตีความหมายเพียงแต่ว่าศีลป้องกันโทษที่จะเกิดทางกายและทางวาจา คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมชีวิตทุกชีวิตขึ้นอยู่กับกฎของกรรมสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นบาปพระองค์เคยทำบาปสิ่งนี้ตกนรกมาแล้วสิ่งนี้เป็นบุญพระองค์เคยทำบุญขึ้นสวรรค์มาแล้วการบําเพ็ญตบะบําเพ็ญฌานได้สาเร็จฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลกพระองค์ก็เคยปฏิบัติมาก่อนแล้ว เรื่องปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติอนหลังได้ทำให้พระองค์รู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์นี่มันจึงเป็นสัจ ธ, ธรรมเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบมาแล้วด้วยตนเองอย่างที่ท่านมาสอนให้เราบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้บรรลุอริยมรรคอริยผลพระองค์ก็ได้ปฏิบัติสำเร็จมาก่อนแล้วจึงได้มาสอนเราไม่ใช่ลักษณะที่ว่า นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเทศสอนให้คนฟังไม่ใช่ล้วนแต่พระองค์เอาของจริงมาว่ากันทั้งนั้น